วันนี้เป็นวันที่ญาติโยมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบารณีต่างๆที่เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งแสงสว่างแห่งธรรมนำมาซึ่งความหลุดพ้นจากกองทุกขแห่งการเวียนว่าตายเกิดบารณีที่พระพุทธเจ้า ได้ส่งบำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดก็ได้ทำให้พระองค์ได้ทรงตัดสัโรเป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกมาจนถึงปัจจุบันนี้สัตว์โลกทั้งหลายที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะต้องบาเพ็ญบารมีต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาและนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกให้ได้บาเพ็ญกันบารมีข้อที่หนึ่งก็คืออธิษฐานบารมีอธิษฐานแปลว่าความตั้งเป้า หรือความตั้งใจที่จะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างญาติโยมที่มาฟังเทศฟังธรรมกันเป็นประจําทุกเดือนนี้ก็มีอธิษฐานบารมีคือได้ตั้งเป้าไว้ว่าทุกเดือนจะมาฟังเทศฟังธรรมที่วัดนี้ ได้กระทํามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแล้วเพราะมีอธิษฐานเบียบบารมีคือมีความตั้งใจอธิษฐานนี้แปลได้สองความหมายความหมายทางโลกแปลว่าการบนบานขอสิ่งต่างๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เจนอธิษฐานให้ได้สิ่งที่ดีที่งามให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็ยนเป็นสุขอันนี้เป็นการแปลความหมายของคำว่าอธิษฐานแบบทางโลกคือจะไปตั้งเป้าอยู่ที่ผล คืออยากจะได้ความสุขความเจริญแต่ความสุขความเจริญนี้มันไม่ได้เกิดจากการขอจากผู้ใดผู้หนึ่งความสุขความเจริญนี้เกิดจากการกระทำเหตุที่ทำให้เกิดความสุขความเจริญเช่นการกระทำความดีงามต่างๆดังนั้น การแปลความหมายของทางโลกจึงแบบผิดไปเพราะว่าอธิษฐานแบบนี้จะไม่ได้ผลขอให้มีความสุขความเจริญแต่เหตุของความสุขความเจริญไม่ขอกันไม่ไปตั้งอยู่ที่เหตุความจริงควรจะตั้งไปตั้งอยู่ที่เหตุว่าขอให้ทำความดีไปตลอดชีวิตตราบที่มีลมหายใจเข้าออกนี้ จะทำแต่ความดีเพียงอย่างเดียวถ้าตั้งอธิษฐานไว้ที่เหตุผลมันจะต้องตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นทางธรรมนี้ท่านแปลให้เราไปตั้งอธิษฐานกันอยู่ที่เหตุคือการกระทำของพวกเราเช่นตั้งอธิษฐานว่าจะมาฟังเทศฟังธรรมกันทุกเดือน แล้วผลที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมมันก็จะเกิดขึ้นมาคือจะได้มีความรู้ความฉลาดมีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาเกิดจากการที่เราอธิษฐานว่าจะมาฟังเทศฟังธรรมกันทุกเดือนไม่ใช่อยู่ที่ว่าขอให้มีความรู้ความฉลาด ขอไปจนวันตายถ้าไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคําสอนไม่ฟองเทศฟังธรรมความจรความรู้ความฉลาดก็จะไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นการอธิษฐานนี้พระพุทธเจ้าจึงส่งให้อธิษฐานที่เหตุคือการกระทําของเราเช่นส่งให้อธิษฐานว่าเราจะฟังเทศฟังธรรมกัน ทุกเดือนแล้วเราก็มาฟังกันทุกเดือนฟังแล้วเราก็ได้ความรู้กลับไปที่เรเล็กเทียน้อยแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมาทำให้เราเห็นทางไปสู่ความสุขและทางไปสู่ความทุกข์ทางไปสู่ความทุกข์เราก็ไม่ไป เราจะไปแต่ทางที่ไปสู่ความสุขนี่คือเรื่องของอธิษฐานบารมีก่อนที่เราต้องการอะไรเราต้องตั้งใจตั้งเป้าหมายไว้เพื่อที่เราจะได้ทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดผลที่เราปรารถนากัรเมื่อเราปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด พวกเราก็ตั้งาจิตอธิษฐานว่าจะสร้างบารมีต่างๆดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างมาเช่นเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคัมมะบารมีอุเบกขาบารมีและปัญญาบารมีนี่คือบารมีต่างๆที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาด้วยตนเอง ขอจากพระพุทธเจ้าไม่ได้บารมีนี้แบ่งให้กันไม่ได้บารมีนี้ของใครของเหมือนใครทำใครก็ได้ใคร <c oughs> ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้ดังนั้นต้องทำและก่อนที่จะทำได้ก็ต้องมีการตั้งเป้าออไว้คือต้องอธิษฐานว่าชาตินี้จะ ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างบารมีต่างๆที่จะทําให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เรียกว่าอธิษฐานบารมีเป็นบารมีข้อแรกที่ผู้ที่ต้องการสร้างบารมีต่างๆจําเป็นที่จะต้องสร้างขึ้นมาก่อนคือต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตว่าจะไปสู่พระนิพพาน ไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะไปได้อย่างไรก็ต้องทําเหตุที่จะทําให้ไปได้บารมีข้อที่สองที่จะต้องมีหลังจากที่ได้ตั้งอธิษฐานบารมีแล้วก็คือสัจจะบารมีคือความแน่วแน่ต่อการตั้งใจคือไม่เปลี่ยนใจสัจจะแปลว่าจริงใจ ไม่โกหกหลอกลวงตนเองบางคนตั้งใจว่าจะรักษาศีลห้าพอเวลาเย็นเพื่อนมาชวนไปดื่มสุราก็ยกเลิกการรักษาศีลห้าไปดื่มสุราแทนอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะหรืออย่างที่ญาติโยมที่ตั้งใจจะมาฟังเทศฟังธรรมกันทุกเดือนพอถึงเวลาที่จะมา มีภารกิจอย่างอื่นมีเพื่อนมาชวนให้ไปที่นั่นที่นี่หรือมีงานอย่างอื่นที่จะต้องไปทำก็เปลี่ยนใจการเปลี่ยนใจนี้ก็เรียกว่าการไม่จริงใจไม่มีความไม่มีศัจจะกับตนเองไม่มีศัจจะต่อการตั้ง อ, อธิษฐานตั้งแล้วไม่ทำตามที่ตั้งไว้เปลี่ยนใจ เรียกว่าขาดสัจจะบารมีผู้ที่มีสัจจะบารมีเมื่อได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำอะไรก็จะต้องทำให้ได้ยกเว้นเป็นเหตุสุดวิสัยเช่นล้มป่วยมาไม่ได้จริงๆหรือตายอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะกระทำตามที่ได้ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานขณะนั่งอยู่ท้ายต้นโพในวันเพ็ญเดือนหกทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งภาวนาอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดสรูจนกว่าจะพบธรรมอันประเสริฐที่จะทรงทําให้พระไถยของพระองค์ได้หลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แมเลือดในร่างกายนี้จะเหือดแห้งไปก็จะไม่ยอมลุกจากที่ภาวนานี้ไปโดยเด็ดขาดนี่คือเรียกว่าสัจจะถ้าไม่มีสัจจะแล้วเวลาเวลาตั้งนี้มันมันคิดตั้งได้แต่พอเวลาจะทํานี่มันอาจจะไม่ทําก็ได้ถ้าไม่มีสัจจะ ถ้ามีสัจจะแล้วต่อให้ช้างมาลากไปก็ไม่ไปจะไปทำในสิ่งที่ได้ตั้งใจเอาไว้เท่านั้นยกเว้นเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนั่นนี่คือสัจจะบารมีที่ผู้ผู้ที่สร้างบารมีจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญหลังจากที่มีสัจจะบารมีแล้ว ข้อที่สามบารมีข้อที่สมที่จําเป็นจะต้องมีก็คือวิริยะบารมีความภาคเพียนความอุตสาหาภาคเพียนเช่นตั้งใจที่จะมาวัดแล้วพอถึงวันที่จะออกเดินทางก็เกิดความเกลียดครางขึ้นมาเช่นเมื่อคือนนี้ไปทําธุระหรือไปงานเลี้ยงดึกเกินไปกลับมาบ้าน นอนดึกตะต้องตื่นเช้าออกเดินทางมาก็ไม่มีความขยันพอไม่มีความภาคเพียรพออยากจะนอนมากกว่าอยากจะเดินทางถ้าไม่มีความเพียรถึงแม้ว่าจะมีสัจจะไม่ได้เปลี่ยนใจไม่ได้ไปไหนแต่ก็ไม่สามารถทําตามสัจจะที่ได้ตั้งไว้ได้เพราะไม่มีความภาคเพียร ถ้ามีความภาคเพลยนถึงแม้ว่าจะอยากจะนอนแต่เมื่อได้ตั้งสัจจะเวลาวว่าจะต้องมาวัดให้ได้ก็ต้องเขี่ยวเขนตนเองให้ลุกขึ้นมาให้ได้ให้ตื่นขึ้นมาให้ล้างหน้าล้างตาแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ออกเดินทางมาอย่างนั้น ต้องมีวิริยะบารมีความเพียรวิริยะบารมีเช่นตัวอย่างพระมหาชนกทรงลอยคออยู่กลางทะเลถ้าไม่ยอมว่ายน้ำก็จะไม่มีวันที่จะไปถึงฝั่งได้ถึงแม้จะมองไม่เห็นฝัง่งแต่มีความพยายามที่จะว่ายไปตราบใดที่ยังมีกำลังที่จะว่ายได้ก็จะว่ายไป อันนี้ก็เช่นเดียวกันตั้งใจมาวัดแล้วถ้ามีกำลังจะมาได้แต่อยากจะนอนก็ต้องฝืนความอยากนอนแล้วก็บังคับตวเองให้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะได้เตรียมตัวออกเดินทางมาพอออกเดินทางมาก็จะต้องมีบารมีข้อที่สี่ถึงจะทำให้มาถึงที่ วัดได้ก็คือขันติบาลมีความอดทนเพราะการเดินทางนี้ก็อาจจะไปพบกับอุปสรรคต่างๆฝนฟ้าตกน้ำท่วมถนนรถติดมีอุปัติเหตุข้างหน้าทำให้ไม่สามารถที่จะเดินไปตามเส้นทางนี้ได้ต้องอ้อมไปใช้อีกเส้นทางหนึ่งถ้าไม่มีความอดทนพอก็อาจจะ ไม่มาก็ได้แต่ถ้ามีความอดทนจะต้องลำบากอย่างไรก็จะอดทนพยายามขับรถพยายามเดินทางมาให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้นี่คือบารมีสี่ประการด้วยกันที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของการสร้างบารมีอื่นๆเช่นเมตตาบารมี เมตตาบารมีก็คือความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมีความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นมีความสุขจากการกระทําของตนเช่นการเสียสละมีอะไรก็ยินดีที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นถึงแม้ว่าบางเวลาผู้อื่นอาจจะกรามตนเอง ไม่ดูไม่เหมาะสมหรือไม่มีไม่เริ่มสายศรัทธาแต่เมื่อมีความเมตตาก็จะรักษาความเมตตานั้นต่อไปถ้ามีผู้อื่นมาสร้างความโกรธแค้นให้กับตนก็จะให้อภัย จะไม่ถือโทษโกรธเคืองจะรักษาความเมตตานี้ไว้ให้อยู่ต่อไปให้ได้นี่คือการสร้างเมตตาบามีต้องมีแต่ความคิดดีปราปรินนปาธนาดีต่อผู้อื่นโดยไม่สนใจว่าผู้อื่นนั้นเขาจะกระทำตนอย่างไรจะทำตนดีหรือไม่ดีก็ตาม เราไม่มีหน้าที่ที่จะไปทำร้ายเขาไม่มีหน้าที่ที่จะไปสร้างความเสียหายให้กับเขาถึงแม้ว่าเขาจะมาสร้างความเสียหายให้กับเราเราก็ต้องให้อภัยเขาไปเพราะเราต้องการความเมตตาเราไม่เสียดายสิ่งที่เราเสียไป เพราะสิ่งที่เราเสียไปนั้นเป็นของที่ไม่มีค่าเท่ากับความเมตตาเพราะถ้ามีความเมตตาแล้วใจจะสงบใจจะเย็นใจจะสบายถ้าขาดความเมตตาเกิยความโกรธเกลียดเที่ยงแคนขึ้นมาใจก็จะร้อนเป็นไฟขึ้นมาจะไม่มีความสุขสู้มีความเมตตาดีกว่า มีความเมตตาแล้วใจจะเย็นจะมีความสุขแล้วจะทำให้สามารถสร้างบารมีอื่นๆต่อไปได้พอเรามีเมตตาบารมีแล้วเราก็จะพร้อมที่จะสร้างทานบารมีทานบารมีก็คือการแบ่งปันการเสียสละประโยชน์สุขของตัวเราที่เรามีมากเกินกว่าที่เราจะสามารถ ใช้ได้หรือเก็บเอาไว้ได้เก็บไว้ก็ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาก็เสียสละแบ่งปันประโยชน์สุขส่วนนี้ให้แก่ผู้อื่นไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นการสร้างทานบารมีเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างทานบารมีเราก็จะติด มีความผูกพันอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็จะทําให้เรานี้ไม่สามารถที่จะไปทําภารกิจอย่างอื่นที่สําคัญกว่าได้เพราะจะต้องมาคอยดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เราก็ไม่ได้ใช้ในขณะที่มีชีวิตอยู่และเวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้ สู้เอามาแบ่งปันดีกว่าถ้ามีเมตตามีความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขแล้วก็จะสามารถที่จะสร้างทานบารมีนีได้อย่างง่ายดายเอาทําให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่เพื่อที่เราจะได้หมดภาระ กับการที่จะต้องมาคอยดูแลรักษาเพื่อที่เราจะได้ไปบำเพ็ญบารมีข้ออื่นที่ที่เราจะต้องใช้เวลาให้กับการบาเพ็ญบารมีเหล่านั้นคือข้อที่บารมีต่อมาก็คือศีลบารมีถ้าเรามีทานบารมีมีเจตใจที่เมตตาเราไม่หวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง เราไม่มีความโลภอยากได้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองการรักษาศี่ห้านี้ก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายเพราะผู้ที่มีเมตตาผู้ที่ให้ทานนี้จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ชอบลักทรัพย์ไม่ชอบประพฤติผิดประเวณีไม่ชอบพูดปดโกหกหลอกลวงไม่ชอบเสพสุรายาเมาและอบายามุกต่างๆ อันนี้ก็จะเป็นศีลบารมีขึ้นมาถ้าไม่มีเมตตาบารมีไม่มีทานบารมีนี้จะรักษาจะสร้างศีลบารมีนี้ยากผู้ที่ยังอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากๆก็จะทําแต่บาปแต่กรรมเพื่อที่จะให้ได้ทรัพย์สมบัติต่างๆมา เพราะการทำบาปนี้มันทำให้ได้ทรัพ์สมบัติมาได้ง่ายได้กว่าการไม่ทำบาปนั่นเองแต่ผู้ที่ไม่ต้องการทรัพ์สมบัติแล้วมีแต่อยากจะให้ก็จะไม่มีวันที่จะไปทำบาปทำกรรมได้ก็จะมีศีลบารมีศีลบารมีก็คือศีลห้าแล้วพอสามารถรักษาศีลศีลห้าได้ ก็จะเพิ่มรักษาเพิ่มขึ้นอีกสามข้อได้เมื่อรักษาได้ห้าข้อแล้วต่อไปก็อยากจะรักษาเพิ่มอีกสามข้อเป็น8ข้อเรียกว่าศีลแปศีลแปนี้ก็คือเนคขมมะบารมีนั่นเองศีลแปนี้จะยับยั้งจิตใจไม่ให้ไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผธพภพะคือกามคุณทั้งห้า ในคำว่มมานี้แปลว่าการออกจากกามการไม่เข้าไปสู่การเสพกามนั่นเองการออกจากการเสพกามถ้าศืบสิญหานี้ยังไม่ได้ห้ามเรื่องของการเสพกามต่างๆเพียงแต่ห้ามเรื่องของการทําบาปแต่พอรักษาศีญแปนี้ห้ามไม่ให้หาความสุขทางกามเช่นศีลข้อสาม ก็จะต้องยุติกิจกรรมศีลข้อสามไปเกือจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็ห้าไม่ให้รับประทานอาหารตามความอยากให้รับประทานอาหารตามความจำเป็นของร่างกายเช่น ว, วันละหนึ่งมือ้อหรือสองมือ้อแต่ก็ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วหลังเที่ยงวันไปแล้วก็ให้ยุติการ หาความสุขจากการรับประทานอาหารให้รับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้รับประทานเหมือนกับการรับประทานยารับประทานตามเวลาคือวันละหนึ่งมื้อหรือสองมือ้อและไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ถ้าไม่ให้ไปหาความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปดูมหารศศพ ไปร้องลัมทาเพลงแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาพรที่สวยงามเสริมความงามด้วยเครื่องสําอางน้ำหอมน้ำมันต่างๆอันนี้จะไม่หาความสุขแบบนี้แล้วก็จะไม่นอนมากเกินไปจะนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายแต่จะไม่นอนเพื่อความสุขตามความอยาก ก็จะไม่นอนบนฟูกหนาหนาเตียงใหญ่ๆจะนอนบนพื้นแข็งแข็งถ้านอนบนพื้นแข็งแข็งหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอต่อความต้องการแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายนอนบนพื้นแข็งแข็งถ้านอนบนฟูกหนาหนานี่พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้ว พอตื่นขึ้นมาแทนที่อยากจะลุกขึ้นมาก็จะไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อเพราะมันแสนจะสบายอยากจะหาความสุขจากร่างกายต่อไปจากจากการได้สัมผัสกับของนุ่มนอนบนฟูกหนาๆ น, นุ่มๆ น, มนี่นอนแล้วสบายมีความสุขก็จะนอนมากเกินความจาเป็นความต้องการของร่างกาย ก็จะทำให้เสียเวลาไปจะไม่มีเวลามาสร้างบารมีขั้นต่อไปก็คืออุเบกขาบารมีผู้ที่สามารถสร้างเนคขมะบารามีได้แล้วนี้ก็จะมีความสามารถที่จะขึ้นสู่อุเบกขาบารามีได้อุบายอุเบกขาบารามีก็คือการทำใจให้สงบให้รวมอยู่ในสมาธิ ให้เหลือแต่สักแตว่ว่าเราเหลือแต่อุเบกขาการที่จะทำให้ใจรวมเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาได้จำเป็นจะต้องมีเวลาให้กับการเจริญสติอย่างต่อเนื่องอเพราะสตินี้เป็นธรรมที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้เข้าสูอ่อุเบกขาจำเป็นที่จะต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไป เพราะถ้ามาสร้างสติในขณะตอนที่นั่งสมาธินั้นจะมีกำลังไม่พอจึงไม่สามารถดึงใจให้รวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้จำเป็นที่จะต้องเจริญสติอย่างสม่ำเสมอการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาก็จะต้องไม่มีกิจกรรมทางกายมคุณห้ามาให้กรบทำนั่นเองจึงต้องมี นนขมวาบารมีมาสนับสนุนในการเจริญสติถ้าเอาเวลาไปหาความสุขจากการร่วมหลับนอนจากการรับประทานอาหารไปงานเลี้ยงไปงานบันเทิงไปดูมหรัรรยกับไปเสียเวลา ก, กับการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรต่างๆเพื่อหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย ก็จะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องวิธีเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องที่ดีที่สุดก็คือการเดินจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธินี่แหละเป็นวิธีเจริญสติที่ดีที่สุดเพราะจะไม่มีอะไรมาลบกวนมาทำให้การเจริญสตินั้นขาดตอนนั่นเองถ้าไปทำภารกิจอย่างอื่นโอกาสที่จะ ถูกเรื่องอื่นเหตุการณ์อื่นดึงดึงใจให้ไปไม่ให้อยู่กับการเจริญสติก็มีอยู่มากแต่ถ้าอยู่ตามลําพังไปปีกุ้ยเวกแล้วมีเวลาให้กับ ก, บการเดินจงกรมนั่งสมาธินี่การเจริญสติให้มีสติอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพอจะนั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ อัปปนาสมาธิได้ถ้าได้ถึงอัปปนาสมาธิก็จะได้อุเบกขาบารมีเพราะว่าอุเบกขานี้คือผลที่เกิดจากการทําใจให้สงบทําใจให้รวมเป็นอัปปนาสมาธินี้เองแล้วความสุขที่ได้จากอุเบกขานี้ก็เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆที่เคยได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะ ก็จะทำให้สามารถที่จะใช้ปัญญาที่ที่ได้รับมาจากพระพุทธเจ้ามาในการยุติความอยากต่างๆความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นความอยากในรูปเสียงกฤฤฤฤฤิ่นรสผดตะเภเรียกว่าความอยากเรียกว่าการมตัญหา หรือความอยากให้มีความเจริญในราบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรอันนี้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาทุกคนเกิดมานี้อยากจะเจริญในราบยศสรรเสริญสุขกันทุกคนแต่ความอยากนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้เพราะเวลาที่อยากแล้วไม่ได้ดังใจอยาก ก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจและความอยากอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าวิภวฐันหาคือความอยากไม่ให้ลาบยศสรรเสริญสุขเสื่อมไปอันนี้ก็จะทําให้ใจทุกข์เพราะว่าลาบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นธรรมที่มีการเจริญและมีการเสื่อมเรียกว่าโลกกระทำ มีการเจริญในราบยศสลรเสริรนสุขก็มีการเสรื่อมในราบยศสลรเสรนสุขแต่ผู้ที่ไม่ฉลาดจะไม่เห็นความจริงอันนี้ก็จะมีแต่ความอยากให้เจริญเพียงอย่างเดียวมีกามะมีภาวะตันหาแล้วก็มีวิภาวะตันหาความอยากไม่ให้ราบยศสารเสรนสุขเสื่อมไปแต่พอความจริงปรากฏขึ้นมา ก็จะต้องเสียอกเสียใจทุกทรมานใจถ้าเสียมากๆก็อาจจะถึงกับอยากจะทำลายชีวิตของตนเองไปอันนี้เพราะขาดปัญญาขาดอุเบกขาผู้ที่เจริญอุเบกขาบารมีจะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสันเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะไม่ให้ความสาคัญไม่สนใจกับการสวงหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมู ก, น, กนิ้งกายอยากจะให้ความสงบนี้อยู่ไปนานๆและก็จะเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่มาทาลายความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็คือตัญหาความอยากทั้งสามนี้เองคือการะตัญหาภาวะตัญหา และวิภาวตันหาถ้ายังไม่รู้ก็ฟังเทศฟังธรรมไปถ้าเข้าถึงดเพราะถ้าได้ยินอริยสัจสีเมื่อไหร่ก็จะเข้าใจทันทีอย่างสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงตัดสรู้พระอริยสัจสี่ก็มีผู้ปฏิบัติเช่นพระปัญจวัคคีได้เข้าถึง อ, อัปปนาสมาธิกันแล้วแต่เวลาออกจาก อ, อัปปนาสมาธิมาแล้วไป เห็นสิ่งต่างๆที่ไม่ตรงกับความอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าความทุกข์ใจนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่พอพระพุทธเจ้ามาทรงแสดงอริยสัจสีให้ฟังว่าความทุกข์ใจเกิดจากปัญหาความอยากทั้งสาม คือการตันหาภาวตันหาและวิภวตันหาและเกิดการเกิดของตันหาก็เพราะว่าไม่เห็นสัตว์จะทำความจริงของสิ่งต่า ง, างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นอนิจจังมีอารเกิดขึ้นก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาพอพระพุทธเจ้าทรงสแสดงให้พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5, ให้เห็นว่าราบยศจะสรสสุขหรือร่างกายนี้ มีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาพอได้ยินสัจธรรมความจริงอันนี้พระอัญญาณโกณทัญญาก็หลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับที่หนึ่งได้คือไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราอเห็นด้วยสัจธรรมความจริงแล้วว่าร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครมาห้ามให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ และเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็เพราะว่าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เองที่เรียกว่าวิภวะตันหาพอละวิภวะตันหาได้เพราะรู้ว่ามันเป็นโทษมันเป็นตัวที่ทำลายความสงบสร้าความสุขของใจพอละได้ใจก็กลับมาสู่ความสงบสู่ความเป็นอุเบกขาต่อไปร่างกายจะแกะ่จะเจ็บจะตายก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไป อันนี้ก็เรื่องของปัญญาบารมีที่จะต้องได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าผ่านพระอาหารหันตสาวกหรือผ่านพระไตรปิฎกหนังสือธรรมะต่างๆที่ได้มีการจารึกมีการบันทึกเอาไว้อันนี้เป็นความรู้ที่ไม่มีในศาสนาอื่น ถ้าไม่มีถ้าไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมพวกเราจะไม่รู้ว่าความสุขของเรานี้นอยู่ที่อัปปนาสมาธิอยู่ที่อุเบกขาและเราจะไม่รู้ว่าความทุกข์ที่เกิดที่เกิดขึ้นที่มาทำลายความสุขที่ได้จากสมาธิก็คือตัณหาความอยากต่างๆนั่นเองดังนั้นพอได้อุเบกขาแล้วพอออกจากสมาธิมา ก็ต้องใช้ปัญญาคอยรักษาอุเบกขานี้ไว้ต่อไปเวลาเกิดความอยากไม่ว่าจะเป็นการวตัณหาภาวะตัณหาหรือวิภวะตัณหาก็ต้องใช้ปัญญาใช้ความจริงคือตายลักมาสอนใจให้ยอมรับความจริงว่าผืนความจริงไม่ได้อยากอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่ควรจะไปอยาก เพราะจะทำให้ทุกใจไปพอเปล่ า, ลาไม่เกิดประโยชน์อะไรพอเห็นสัจธรรมความจริงว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายมีการเจริญก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความสวยงามก็มีความไม่สวยงามม า, ม า, ม, ามาด้วยกันเป็นของที่มาควบคู่กันร่างกายนี้เวลาสวยงามก็สวยงามเวลาที่มันไม่สวยงามมันก็ไม่สวยงาม เช่นเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายร่างกายที่เคยสวยงามก็ไม่สวยงามอีกต่อไปเหมือนกับดอกไม้ที่เราเด็ดมาจากต้นเพื่อเอามาปักไว้ในแจกันเวลาเด็ดมาใหม่ๆปักไว้ในแจกันก็ดูสวยงามดีอตพอปักไว้ได้ไม่กี่วันมันก็เหี่ยวเฉาลงไปแล้วในที่สุดก็เนา่าไม่น่าดู นี่คือสิ่งที่เราต้องใช้ปัญญาพิจารณากันอยู่เนืองเนงคือความเสื่อมของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เรามีความหลงมีความรักมีความอยากได้มาเป็นสมบัติมาให้ความสุขกับเราว่าเราจะได้ของปลอมได้ความสุขชั่วประเดียวประดาวแล้วก็จะต้องได้รับความทุกข์ตามมาต่อไป หลังจากสิ่งที่เรารักเราชอบนี้เปลี่ยนสภาพไปเสื่อมไปดับไปนี่คือเรื่องของปัญญาในเบื้องต้นถ้าเราไม่มีปัญญามองไม่เห็นความจริงมองไม่เห็นตายลักเราก็ต้องอาศัยการมาฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ญาติโยมได้มากระทำกันอย่างต่อเนื่องมาฟังความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยง มีการเกิดขึ้นก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาแต่นานัตตาคือไม่มีใครจะมาห้ามมันไม่ให้ไม่ให้มันเสื่อมไม่ให้มันดับไปได้ถ้าอยากให้มันไม่เสื่อมอยากจะให้มันอยู่อย่างถาวรก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจอันนี้จะได้จากการได้ยินได้ฟังธรรม เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วขั้นต่อไปก็ต้องนําเอาไปพิจารณาอยู่เนืองๆเช่นทร ง, งสอนให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพลากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายลวงพ้นจากการพัดพลาดจากกันไม่ได้ถ้าเราไม่เอามาพิจารณาอยู่เนืองๆเดี๋ยวเราจะลืม พอลืมแนละ้วเราก็จะอยากจะให้อยู่นานๆอยากจะให้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวอยากจะให้เจริญอย่างเดียวไม่อยากจะให้มันเสื่อมพอเวลาไปเจอความเสื่อมก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้ามีการสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราอยู่ในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอเพราะฉะนั้นเราต้องค อ, อยควบคุมความอยากของเราเวลาที่มันไปสวนกับความจริงเราต้องหยุดบันทันทีเช่นอยากไม่เจ็บไายได้ป่วยพอไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งนี่เราก็ต้องยอมรับทันทีอยากไปอยากไม่ให้มันเป็นอยากไปอยากให้มันหายมันจะหายไม่หายนั้นเป็นเรื่องของอนาคต ปัจจุบันนี้มันเป็นแล้วแล้วก็ยอมรับมันไปว่ามันเป็นก็แล้วกันส่วนจะรักษาให้มันห า, หายหรือไม่หายนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตก็รักษาไปรักษาได้ก็ดีไปแต่มันก็ดีชั่วคราวหายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาเป็นใหม่อยู่ดีไม่เป็นโรคนี้ก็เป็นโรคใหม่มาแทนที่แลในที่สุดมันก็ต้องตายไปอยู่ดี ยังไงไงเราก็ต้องยอมรับความเจ็บให้ได้ยอมรับความตายให้ได้ถ้าเรามีปัญญาคอยสอนใจเตือนใจใเรื่อยๆเราจะยอมรับเพราะเราไม่อยากจะทุกข์ถ้าเรายอมรับแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ที่เราไม่ยอมรับก็เพราะว่าใจเรายังไม่สงบพอนั่นเองยังขาดอุเบกขาถ้ายังไม่ยอมรับเราก็ต้องพยายามทำใจให้สงบให้มากขึ้น ทำใจให้มีอุเบกขาให้มากขึ้นพอใจมีอุเบกขาแล้วพอเห็นความจริงก็จะยอมรับทันทีเพราะการยอมรับนี้เป็นประโยชน์กับใจไม่ได้เป็นโทษกับใจเพราะทําให้ใจสงบทําให้ใจไม่ทุกข์แต่การไม่ยอมรับนี่แหละเป็นโทษกับใจเพราะจะทําให้ใจทุกข์ใจวุ่นวายใจเครียดนี่คือเรื่องของ ปัญญาบาามีที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาด้วยการฟังเทศฟังธรรมถ้าเรายังไม่รู้เราก็ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนถ้าเรารู้เราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเราก็เอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนี้มาพิจารณาอยู่เนืองเนืองพิจารณาอานิจจังอยู่เนืองเนืองพิจารณาทุกขังอยู่เนืองเนืองพิจารณาอนัตตาอยู่เนืองเนือง ถ้าเรามีอานิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในใจเวลาใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจะสามารถใช้อานิจจังทุกขังอนัตตานี้มาละาตันหาที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้อย่างทันทีทันใดแล้วจะทําให้เราใจของเรานี้ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้จะทําให้ใจเรากําจัดตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปได้เพราะเหตุที่ทําให้ใจเราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่เองแต่ถ้าเรามีใจละอยู่กับใจของเราอยู่ตลอดเวลาและมีใจที่เป็นอุเบกขาอยู่ตลอดเวลาเราก็จะสามารถที่จะละตัณหาทั้งสามนี้ได้ เวลาที่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วพอเราละมันได้แล้วมันก็จะไม่หวนกลับคืนมาอีกเพราะการละด้วยปัญญานี้เป็นการละแบบถอนรากถอนโคนรากเหง้าของตัณหาความอยากก็คือโมหะาอาวิชชาที่ไม่เห็นไตรลักในสภาวธรรมทั้งปวงนั่นเองจึงเกิดความหลงลักเกิดความยินดีเกิดความอยากให สิ่งที่รักที่ยินดีนี้อยู่กับตนไปนานๆาเพราะมองไม่เห็นว่าไม่มันเป็นสายรักมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมีการมาแล้วก็ต้องมีการไปมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปถ้าเรามีตายรักอยู่ในใจไปนั้นตลอดเว ล, เวลาเวลาเกิดความหลงอยากจะรักสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะตับไปได้ทันที พอเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือปัญญาบารมีที่จะเป็นตัวที่จะเป็นแสงสว่างสอนใจให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์และเห็นต้นเหตุของการดับความทุกข์เห็นต้นเหตุก็คือเห็นกามวัตันหาภาวะตัฏนหาวิภาวะตัฏนหาเห็นต้นเหตุที่จะทำให้ทุกข์ดับไปก็คือเห็นตายร่างนี่เอง เห็นอันิจังทุกขังอนัตตาผู้ที่เห็นนันิจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกหรือสิ่งภายในใจก็จะสามารถละตันหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้เมื่อไม่มีตันหาแล้วความทุกข์ก็จะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีนี่คือการบำเพ็ญบารมีสิท ป, ประการด้วยกัน ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญมาแล้วได้นํเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราผู้ที่ยังไม่มีบารมีเหล่านี้ให้เราได้มาสร้างบารมีกันเถอะขอให้เราเห็นคุณค่าของเวลาของชีวิตของเราว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของพวกเรานิ่งกว่าการสร้างบารมีทั้งสิประการนี้ การที่เราไปสร้างราบยาศสรรเสริญสร้างความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันเป็นการสร้างความสุขปลอมสุขปลอมเพราะว่ามันจะกลายเป็นความทุกข์ในบ้านปลายเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะหาราบยาศสรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้หรือเวลาที่ราบยาศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้ เสื่อมไปหรือดับไปหมดไปใจของเราก็จะเจอกับความทุกข์แทนที่จะเจอกับความสุขแต่ถ้าเราไม่ไปหารอบยศเสริญสุขเวลามันเสื่อมมันก็จะไม่ทําให้เราทุกข์ถ้าเรามาหาความสงบของใจความหลุดพ้นจากความทุกข์ของใจด้วยการสร้างบา ร, รมีต่างๆ ดังนั้นชีวิตของเราที่เกิดมานี้เป้าหมายที่แท้จริงก็คือการสร้างบา ร, รมีทั้งสิประกาศนี้เองเพราะพวกเราทุกคนต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทุกคนไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์กันไม่มีใครอยากที่จะมาแก่มาเจ็บมาตายกันแต่ถ้าเราไม่มีบา ร, รมีสิทธิประกาศนี้เราก็จะไม่สามารถยุติ การกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้เพราะเราไม่ได้ทำลายเหตุที่ทำให้มีการเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็คือตัณหาทั้งสามนี้เองแต่ถ้าเรามีบา ร, รมีสิธิประการอยู่ในใจของเราเราจะสามารถหยุดตัณหาความอยากต่างๆได้อย่างถาวร อ, อย่างไม่มีวันที่มันจะโผล่ขึ้นมาได้อีก เมื่อไม่มีตันหาแล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็หมดไปความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็หมดไปนี่คืองานของพวกเราที่แท้จริงคืองานสร้างบารมีสิทธิประกานี้ส่วนงานอย่างอื่นนั้นก็อาจจะต้องสร้างต้องทำบ้างเช่นงานที่ดูเกี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกายของเรา เพราะว่าถ้าเราไม่มีร่างกายไม่มีชีวิตอยู่เราก็จะไม่สามารถมาสร้างบา ร, รมีทั้งสิบประการนี้ได้เราก็ต้องมีงานที่เกี่ยวกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกายหาอาหารหายารักษาโรคหาเครื่องนุ่งหม่มและหาที่อยู่อาศัยแต่พอเรามีพอเพียงแล้วเราก็ ควรที่จะเอาเวลามากับให้กับการสร้างบารมีทั้งสิบประการนี้เพราะว่าถ้าเราโมแต่หาปัจจัยสี่ไปตลอดโดยที่เราไม่สนใจที่จะมาหาสร้างบารมีสิบประกาศพอร่างกายนี้ตายไปมันก็หมดสภาพไปแล้วเราก็ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อไปดังนั้น การหาหาปัจจัยสี่นี้ก็หาเพื่อที่จะให้ร่างกายนี้มีกําลังวางชาที่จะมาสร้างบรารมีทั้งสิประการนี้อย่าเอาร่างกายที่มีกําลังวางชาไปทําไปหาความสุขตามอำ น, นาจของตามหาต่างๆเช่นไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอันนี้เป็นการใช้ร่างกายผิดจุดประสงค์ เป็นการสร้างโทษให้แก่จิตใจเพราะเป็นการสร้างพบสร้างชาติให้แก่จิตใจนั่นเองเราต้องเอาร่างกายที่เราเลี้ยงดูด้วยปัจจัย4ี่นี้มาสร้างบารมีสิบประการคือมาสร้างอธิษฐานบารมีมาสร้างสัจจะบารมีมาสร้างวิริยะบารมีมาสร้างขันติบารมี มาสร้างเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มะบารมีอุเบกขาบารมีและปัญญาบารมีถ้าเราเริ่มต้นที่อธิษฐานแล้วตามด้วยสัจจะด้ว ย, ยวยิริยะด้วยขันติเราก็จะสามารถก้าวขึ้นไปตามลําดับชั้นได้ก้าวขึ้นสู่การมีความเมตตาสู่การทําทานสู่การรักษาศีล สู่การออกจากกรรมสู่การมีใจที่สงบเป็นอุเบกขาและสู่ใจที่มีความรู้ความฉลาดคือมีายลับอยู่ในใจตลอดเวลาใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ําเพ็งกันมา ผู้ใดก็ตามถ้าได้บาเพ็ญแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันไม่ไม่จำกัดอยู่ที่เพศที่วัยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นนักบวชไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นชาวพุทธหรือไม่ใช่เป็นชาวพุทธไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศตราบใด ผู้ใดก็ตามสามารถที่จะสร้างบาลมีทั้งสิระการนี้ขึ้นมาได้หลาบนั้นผู้นั้นก็จะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้การหลุดพ้นนี้ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้ว่าจะต้องเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นนักบวชหรือเป็นผู้คลองเรือนไม่ได้ว่าจะต้องเป็นผู้ที่รับถือพระพุทธศาสนานผู้ใดก็ตามถ้า มีบาลมีสิบประการนี้สามารถที่จะบรรลุได้เพราะว่าบารมีสิบประการนี้บางทีเราก็อาจจะได้สร้างมาในอดีตชาติก่อนก็ได้แล้วชาตินี้เรามาเกิดนอกพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีบารมีบารมีต่างๆที่เราได้สร้างมาในอดีตชาติมันก็ติดมากยกับเรา มีสาเหตุที่ทำให้ทาไมคนที่อยู่นอกศาสนาพุทธจึงหันเข้ามาปฏิบัติตามศาสนาพุทธมาบวชเป็นพระภิกษุกันเพราะในอดีตชาติเขาก็เคยสร้างบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้มาแล้วมันก็เลยเป็นตัวที่ผลักดันให้เขามาสร้างบา ร, รมีต่างๆต่อไปที่ไหนมีสถานที่เหมาะสมต่อการสร้างบา ร, รมีเขาก็จะไปที่ตรงนั้นเช่นในปัจจุบันก็เมืองไทยของเรา มีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีทั้งสิบประการนี้ผู้ที่อยู่ต่างประเทศถึงแม้จะอยู่ในประเทศที่มีความเจริญทางด้านวัตถุมากกว่าของเราเขาก็ยังอุตสาหข้ามน้ําข้ามทะเลมาเพื่อมาสร้างบารมีสิบประการที่ในประเทศของเราเพราะประเทศของเรานี้เป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการสร้างบารมีทั้งสิบประการ มีเป็นเหมือนเนื้อเป็นเหมือนเนื้อนาที่เหมาะต่อการพ่อปลูกเนื้อนาบุญบุญญคเขเตเตมีพระอริยบุคคลที่จะคอยให้กำลังจิตกำลังใจให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือในการบำเพ็ญบารมีทั้งสิทธิประกาศนี้จึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่ทำไมคนต่างชาติจึงมาถึงเมืองไทยกันมาบวชอยู่ในเมืองไทยกัน ก็เพราะว่าเขาเห็นความสําคัญของบารมีทั้งสิบประการนี้เองเขารู้ว่าบารมีสิบประการนี้เป็นเหตุที่จะทําให้เขาได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและไม่มีที่ไหนในในในโลกนี้ที่จะเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการสร้างบารมีทั้งสิบประการนี้เท่ากับประเทศไทยของพวกเราพวกเราจึงควรมีความภูมิใจ แล้วก็ควรพยายามที่จะตักตวงประโยชน์อันนี้ให้ได้อย่าไปอย่าทำตัวเป็นเหมือนทัพพีในหม้อแกงอยู่กับแกงมาตลอดเวลาแต่ไม่รู้คุณค่าของแกงเลยว่าเป็นแกงอะไรขอให้เราอยู่กันแบบดิ้นกับแกงให้เห็นความสำคัญของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นประโยชน์ของการสร้างบา ร, รมีทั้งสิประการนี้ เพื่อที่เราจะได้ทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจของพวกเราให้กับการสร้างบา ร, รมีทั้งสิบประการนี้เพราะไม่มีอะไรจะให้คุณให้ประโยชน์แก่จิตใ จ, จของเราได้มากเท่ากับการสร้างบา ร, รมีทั้งสิบประการนี้ถ้าเราไม่สร้างและไม่ทะภารกิจนี้ให้เสร็จภายในชาตินี้เราก็ยังจะต้องใบเวียน่ายตายเกิดต่อไปและข่าวหน้าเรากลับมาเกิดเราอาจจะไม่มีพระพุทธศาสนา มาเป็นผู้นำทางให้แก่พวกเราตอนนั้นเราก็อาจจะต้องทาทางกันไปเหมือนคนตาบอดจนกว่าเราจะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปที่จะมาดึงพาให้เราได้มามาสร้างวา ร, รมีสิทธิประการกันอีกเพื่อที่ให้เราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อไป ดังนั้นขอให้เรารีบใช้เวลาที่มีคุณค่านี้ให้กับการสร้างบารมีทั้งสิบประการนี้เถิดอย่าไปเสียเวลากับการสร้างสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่ให้ความสุขปลอมคือความสุขชั่วประเดียวประดาาแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ตามมาทีหลังนี่คือเรื่องของความสำคัญของการมาวัดเพื่อมาสร้างบารมีทั้งสิบประการนี้ ขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความ อยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามในช่วงนี้ได้เลยขอความกรุณาอย่ามาถามหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วเพราะว่าจะไม่ตอบถ้าไม่มีใครก็จะให้พิธีกรเอาคำถามจากทางบ้านมาถามคำถามจากทางบ้านจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเวลาที่ต้องระงับความหงุดหงิด ไม่พอใจคนที่เรารู้จักดิฉันพยายามบริกรรมพุทธโธเพื่อละ ง, งับความโกรธไม่เอาเรื่องต่างๆกลับมาคิดแต่พอเห็นหน้าหรือเหตุการ์อีกอาการไม่พอใจก็แสดงออกทันทีทางสีหน้าของเราทั้งที่เราก็ไม่ชอบการกระทาหรือความขุ่นมัวในใจเลยนอกจากบริกรรมพุทธโธ เราต้องนึกถึงคนที่ทำให้เราหงุดหงิดแล้วพิจารณาให้เห็นไจรักของคนนั้นหรือการกระทำนั้นอยู่บ่อยๆเหมือนฝึกซ้อมทำกันบ้านเพื่อเวลาเจอเหตุการ์เราจะได้มีสติควบคุมใจได้ทันเข้าใจถูกไหมคะหรือควรบริกรรมพูดโทรไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องพิจารณาคะมันก็ต้องใช้ทั้งสองอย่างช่วยกันเพราะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะ ม, มีกําลังไม่พอถึงแม้เราจะรู้ว่าเขาเป็นตายลักแต่ถ้าใจของเรายังไม่เป็นอุเบกขามันก็ยังอดที่จะไปรักไปชังเขาไม่ได้แต่ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วถ้าเราไปเห็นเขามันก็อาจจะเกิดความรักชังขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญาและมันก็ต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งอุเบกขาแล้วก็มีทั้งปัญญามันก็จะช่วยการทําให้ใจของเรานี้ สักแต่ว่ารู้ได้ไม่ไปมีความหงุดหงิดลำคาญกับคนที่เราเห็นคำถามจากคุณเอข้อหนึ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าไม่ควรแผ่เมตตาให้คนตายเพราะจะทำให้ไม่สามารถเข้าถึงอุปจารสมาธิหรืออัปนาสมาธิจริงหรือคะเพราะอะไรคะมันความแผ่เมตตามันไม่เกี่ยวกับกรรมการเจริญสมาธิ แผ่เมตตานี้ก็คือให้เราแผ่ให้กับสรรพสัตว์ไม่ว่าจะเป็นผลเป็นหรือคนตายแผ่ได้หมดคนที่ตายไปแล้วเราก็แผ่ความเมตตาให้กับเขาได้เช่นถ้าเวลาเราเนั่งสมาธิแล้วจิตของเราไปรับรู้ดวงวิญญาณของผู้อื่นเข้ามาขอความเมตตาเราก็ให้ความเมตตาเขาได้ อันนี้หรือเปล่าที่เป็นอาจจะเป็นความเข้าใจผิดคิดว่าเวลาแผ่เมตตาจะทำให้ใจไม่เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้เพราะเวลาใจจะรับรู้กับผู้ที่ตายไปแล้วนั้นจะต้องอยู่ในอุปจารสมาธิไม่ได้อยู่ในอัปปนาสมาธิเรื่องอุปจารสมาธินี้เ ป, นเป็นเรื่องความสามารถพิเศษของผู้ที่จเจริญสมาธิ บางคนก็ไม่มีบางคนจะรียสมาธิแล้วก็จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิเพียงอย่างเดียวไม่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ลูกทิพย์อะไรต่างๆนี้แต่บางคนนี่จะมีวาสนาหรือมีความสามารถพิเศษเวลาจิตสงบแล้วมักจะออกไปรับรู้ เ, เรื่องราวต่างๆนิมิตต่างๆนะ ซึ่งการรับรู้เรื่องราวนีมิตต่างๆนี้มันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการเจริญวิปัสสนาภาวนาเพราะมันไม่ได้ทำให้จิตมีอุเบกขาดังนั้นถ้าผู้ที่ต้องการที่จะไปทางวิปัสสนาไปสู่การหลุดพน้นนี้ไม่ควรที่จะไปให้ความสำคัญต่ออุปจารสมาธิถ้าจิตมีวาสนาแล้วจะไปทางนั้นก็ควรจะเดึงกลับเข้ามาให้เข้าสู่อุปนาสมาธิด้วยการ ใช้สติเดอนกลับเข้ามาจะใช้สติด้วยการบริกรรมหรือดูลมหายใจเข้าออกหรือเพลงหรือใช้สติดึงเข้ามาก็ได้แล้วแต่้อสำคัญถ้าเรายังไม่หลุดพ้นเราไม่ควรที่จะไปเสียเวลากับการไปรับรู้เรื่องราวต่างๆในอุปจารสมาธิถึงแม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นยินดีแต่มันก็เหมือนกับการไปท่องเที่ยวทางร่างกายจะทาให้เราเสียเวลา ต่อการบําเพ็ญเพื่อการุดทนดังนั้นถ้าเรามีวาสนาที่จะไปทางอุปจาระสมาธิก็ขอให้เราดึงใจกลับเข้ามาเวลาใจจะออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆให้จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิให้จิตมีแต่ความสงบอันนี้คือเรื่องของอุปจาระกับอัปปนาสมาธิ แต่เรื่องของความแผ่เมตตาความจริงแล้วเราแผ่ได้เวลาที่เราไม่ได้อยู่ในอัปปนาสมาธิเวลาอยู่ในอัปปนาสมาธินี้ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะจิตหยุดคิดหยุดทำอะไรต่างๆจะแผ่เมตตาก็ต้องรอออกจากสมาธิมาแล้วหลังจากที่เราเลิกนั่งสมาธิก่อนที่เราจะลุกไปทำอะไรเราก็แผ่เมตตาก็ได้ใะความจริงแผ่เมตตาแบบนี้ก็ยังไม่ได้การเป็นการแผ่ เพราะไม่มีผู้รับเราต้องแผ่ในตอนที่มีผู้มารอรับความเมตตาจากเราเหมือนกับการให้เงินทองให้โดยเขียนเช็คไปโดยไม่มีผู้รับนี้ไม่รู้เขียนไปให้ใครต้องมีผู้มารับ ม, มีชื่อนั้นชื่อนี้เร า, าเขียนเช็คใส่ชื่อเขาไปเขาก็จะได้รับเงินที่เราให้กับเขาไปความเมตตาก็เป็นเหมือนเงินทองมันเป็นความสุขใจผู้ที่ได้รับความเมตตาก็จะมีความสุขใจ ดังนั้นเราต้องแผ่เมตตาในตอนที่มีผู้รับเช่นเวลาที่เราพบปะกับผู้คนต่างๆเราก็ให้ความเมตตาเขาแทนที่จะน่าบึ่อติงแยกเคี่ยวเราก็ยิ้มให้เขาอย่างนี้แทนที่จะด่าเขาเราก็พูดดีๆกับเขาอันนี้คือเรื่องของการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่มีผู้รับแต่ตอนที่เราแผน่ในขณะที่เราออกจากสมาธิมา อันนั้นเป็นการทำการบ้านเป็นการเตรียมตัวสอนตัวเราให้รู้จากการแผ่เมตตาว่าจะต้องแผ่เมตตาอย่างไรสับเบสตาอเวลาโหนตุแปลว่าอย่ามีเวรกันสับเบสตาอั บ, บยาพันปชาโหนตุแปลว่าอย่าเบียดเบียนกันสุขีอัตานังปริหารันตุแปลว่าขอให้ทุกคนมีความสุขอย่างนี้เป็นต้น นี่คือคุณสมบัติคุณลักษณะของการมีความเมตตาคือไม่จองเวรไม่เบียดเบียนแล้วก็ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขพอเราไปเจอคนหรือเจอสุนัขหรือเจออะไรสัตว์เทวดาหรือผีก็ตามตอนนั้นเราก็แผ่ให้เขาได้แต่ไม่ได้แผ่เพื่ อ, อไล่เขานะบางทีเจอผีนี่ชอบแผ่กันแต่แผ่บาปให้เขาไปอันนี้ไม่เรียกว่า อันนี้ไม่เมตตาแล้วถ้าไล่เขาไปนี่มันก็แสดงว่าไม่เมตตาแล้วแต่เมตตาก็คือให้เขาอยู่ถ้าเขาต้องการอะไรก็ถามเขาเดือดร้อนอะไรเราช่วยเหลืออะไรได้ไหม yeah. อย่างนี้ก็แผ่เมตตาแบบนั้นอย่างคุณแม่ชีแก้วนี่ท่านเวลานั่งสมาธิก็จะมีพวกสัตว์ที่ตายแล้วหมูป่าเอ้ยควายเอ้ยมาเข้ามาในสมาธิแล้วก็มาขอความเมตตา การกระททางการไม่ให้ความเมตตาของเขาไปสอนธรรมะให้กับเขาไปอันนี้นะคือการแผ่เมตตาแต่เวลาที่เราเลิกจากการนั่งสมาธิแล้วเราสวดสพเพสัตตานี้เป็นการสอนใจเป็นการทําการบ้านเพื่อเวลาที่เราไปเจอข้อสอบเราจะได้ทําข้อสอบได้ถ้าเราไม่เตรียมตัวสอนใจไว้พอเราไปเจอใครที่เขา ทำอะไรไม่ดีกับเราแทนที่เราจะแผ่เมตตาเราก็อาจจะแผ่ความโกรธไปให้กับเขาแทนอันนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวทำการบ้านมาไว้ก่อนนี่คือเรื่องของการแผ่เมตตาแผ่ได้ทุกเวลานอกจากเวลาที่อยู่ในอัปปนาสมาธิเท่านั้นก็อสอง เวลาเราอุทิศบุญมีคนบอกให้อุทิศให้เทวดาประจําตัวเราทั้งหมดก่อนแล้วค่อยขอให้เทวดาประจําตัวเราแบ่งให้เจ้ากรรมนายเวรให้พ่อแม่ชาตินี้ก่อนผีบ้านผีเรือนโน่นนี่นั่นถ้าเราอุทิศเองเขาบอกว่าจะโดนลุมมากเกินไปจริงหรือคะเ ผู้ที่จะมารับส่วนบุญของเรานี้ก็อยู่ที่ว่าเขาอยู่ในฐานะที่เขาต้องมาขอเราหรือไม่ถ้าเขาเป็นพวกที่มีบุญพวกเทวดาทั้งหลายนี้เขาไม่มารอรับส่วนบุญที่เราอุทิศหรอกเพราะบุญที่เราอุทิศนี้มีจํานวนน้อยมากเหมือนกับเงินที่เราให้ขอทานคิดดูที่ถ้าเราจะให้เงินเงินที่ให้ขอทานแล้วให้คนเป็นร้อยมารับกันเนี่ยเขาจะได้กันคนละสะกิลสตังกัน เพานั้นส่วนใหญ่เราจะอุทิศเจาะจงให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียมากกว่าเช่นคนที่เพิ่งตายไปนี้เรากลัวว่าเขาจะไม่มีบุญพอที่จะไปเป็นเทพหรือกลัวเขาจะไปเป็นเปรตก็เลยทำบุญเยอะๆอุทิศให้เขาไปเยอะๆเพื่อเขาจะได้อาศัยบุญอุทิศนี้พาให้เขาไปสู่สุคติได้แทนที่จะไปอบายอย่างนี้เป็นตน้น ถ้าเราไม่มีคนที่ตายหรือคนที่เราคิดถึงเราก็ทำแบบนองตาพา ท, ทพมทาแผ่เมตตาให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายเปิดโลกกระทาใครอยู่ที่พบไหนภูมิไหนแต่กลับมาตกทุกข์ได้ยากจะต้องมารับส่วนบุญส่วนนี้ก็มาเอาไปอันนี้ก็ทส ำ, ำหรับพวกที่บางทีต้องการรับส่วนบุญแต่ไม่มีญาติพี่น้องที่เชื่อในเรื่องการทาบุญเรื่องการอุทิศบุญ เขาก็จะไม่มีใครอุทิศบุญให้กับเขาก็ต้องอาศัยชาวพุทธพ้องอย่างพวกเราที่มีความเมตตาที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขนี้มาอุทิศบุญให้กับเขากันดังนั้นเรื่องของการอุทิศบุญนี้มันก็แล้วแต่ละคนว่ามีความคิดถึงใครมีความรักใครมีความเป็นห่วงใครก็อุทิศไปตามความ ความรู้สึกของตนไม่ต้องจําเป็นจะต้องทําตามที่ว่าคนนั้นบอกให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้ไม่เกี่ยวกันเหมือนกับเราจะให้เงิ่อนไขนี้เราไม่ต้องมีเอ่อมีเงื่อนไขว่าจะต้องให้คนนั้นก่อนคนนี้ก่อนเราอยากจะให้คนนี้เราก็ให้คนนี้คนเดียวไปก็ได้มันเรื่องของเราคําถามจากคุณสุขขุม ปัจจุบันเวลานั่งสมาธิจะพุทโธถี่ไปเรื่อยๆแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งบริกรรมพุทโธถี่มากเหมือนจะหมดลมหายใจจากนั้นเหมือนความรู้สึกจากช่วงคอพุ่งลงไปที่ช่วงท้องแล้วรู้สึกโล่งสบายขึ้นมากแต่ยังรู้สึกถึงลมหายใจเบาบางอยู่นั่งสมาธิเป็นแบบนี้บ่อยครั้งต่อจากนี้ควรทำอย่างไรต่อครับ ให้พูดโธต่อหรือหยุดให้อยู่กับความรู้สึกนั้นดีครับถ้ามันว่างมันสงบมันสบายจะหยุดก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่เหมือนกินข้าวยังไม่อิ่มก็พูดโทรต่อไปกินข้าวต่อไปเพราะความสงบมันมีหลายระดับที่ท่านเรียกว่าฌานขั้นต่างๆมันก็เป็นความสงบแต่ความสงบมันลึกและละเอียดมากไม่เท่ากันฌานที่หนึ่งก็อยู่ในระดับ หนึ่ชานที่สองก็ลึกเข้าไปชานที่สามก็ยิ่งลึกเข้าไปจนถึงทานชานที่สี่นะมันถึงจะนิ่งสงบจริงๆถ้ายังไม่นิ่งสงบยังมีอะไรให้รับรู้อยู่ก็แสดงว่ายังไม่สงบเต็มที่ก็ควรที่จะภาวนาต่อไปคําถามจากคุณวรรณพรถ้าคารวาสําเร็จธรมแล้วไม่บวชต้องตายจริงหรือเปล่าคะบวชไม่บวชก็ต้องตายด้วยกันทุกคนเนี่ย สำเร็จไม่สำเร็จก็ต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครไม่ตายไม่เกี่ยวกันคนที่สําเร็จแล้วจะไม่บวชก็ไม่ตายหรอกเท่ายังไม่ถึงเวลาที่จะตายพอดีคนก็ไปเอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับคนที่สําเร็จแล้วตายภายในเจวันมาเป็นข้ออ้างกันเช่นพ่อของพระพุทธเจ้าก็บรรลุบรรณุแล้วก็ตายภายในเจวันก่อนบรรุ ก, ก่อนจะตายเจวันก็เลยคิดว่าพอบรรลุแล้วเป็นคารวะ แ้ไม่ได้บวชก็ต้องตายภายในเจ็ดวันหรือในภะเฮยะที่ไปถามธรรมของพุทเจ้าในขณะที่สั้นทรงเบนทบาทโอจจาก็สรงแสดงธรรมสั้นๆว่าให้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเขาก็บรรลุธรรมขึ้นมาเขาก็ขออนุญาตไปเตรียมบริขารเพื่อจะมาขอบวชในระหว่างทางไปเตรียมตัวก็ถูกกระเทงขวิดตายโอเจ้าทรงทราบข่าวก็บอกว่า ทมชาพนกกิจแล้วก็บรรจุกระดูเข้าไว้ในสถูปแสดงว่าเป็นการรับรองว่าท่านผู้นี้ได้บรรุแล้วได้หลุดพ้นแล้วแล้วก็ตายไปก่อนที่จะได้บวชก็เลยมาคิดก็เลยมาเป็นความคิดเห็นกันว่าถ้าเป็นการวาดแล้วบรรลุแล้วไม่ได้บวชภายในเจ็ดวันนี้จะต้องตายไปซึ่งมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลมันเป็นเพียงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เข้ามา ใช้เป็นข้ออ่ตัดสินใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองฉะ น, นั้นมันไม่เกี่ยวกันเรื่องความเป็นความตายนี้จะบรรลุแล้วไม่บรรลุมันตายด้วยกันทุกคนจะเป็นพระแล้วไม่เป็นพระมันก็ตายฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกันไม่ต้องกลัวถ้าเป็นคารวาสเราบรรลุหลุดพ้นนี้ก็ไม่ต้องกลัว ตบรรลทนแ้ก็ไม่กลัวตายอยู่ดีตายก็ตายไม่มีความหมายเลยอยู่ก็ได้ตายก็ได้ยู่ตายกับสบายกว่าไม่ต้องมาคอยเลี้ยงร่างกายเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องการจากในโลกนี้อีกแล้วที่อยู่ก็อยู่เพื่อผู้อื่นเท่านั้นอย่างพระพุทธเจ้าที่อยู่ก็อยู่เพื่อสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นเท่านั้นคำถามจากคุณประจักษ์ชัยข้อหนึ่งผมนั่งสมาธิแรกๆนั่งได้สามสิบถึงสี่สิบนาที รู้สึกทุกเวทนาหนักมากตัวสั่นปวดขาไปหมดและก็ต้องเลิกนั่งแต่พอผมฝึกขันติคืออดทนต่อความเจ็บปวดผมจึงผ่านอาการเจ็บปวดมาได้ทุกวันนี้นั่งได้นานสุดหนึ่งชั่วโมงพอเวทนาเกิดก็สักแต่ว่ารู้เอาจิตมาอยู่กับพุทโธหรือลมหายใจเข้าออกแต่พอจิตแวะไปคิดถึงอาการปวดเวทนาก็พร้อมที่จะโจมตี ผมอดทนได้สอ ง, งสมรอบเท่านั้นเวลาที่จิตไปคิดถึงเวทนาเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับจนเมื่อวานรุ่นพี่คนหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดเวทนาแล้วเอาจิตไปผูกกับลมหายใจเข้าออกหรือพุดโทจะทำให้สงบเพียงชั่วคราวพอจิตไม่นิ่งมันจะกลับมาปวดอีกเขาแนะนำให้พิจารณาอาการปวดเลยโดยใช้ปัญญาแล้วอาการปวดมันจะหาย ถูกต้องหรือไม่ครับอาการปวดของร่างกายอาจจะหายหรือไม่หายจากการพิจารณาทางปัญญาแต่อาการปวดทางใจนี้จะหายและอาการปวดทางใจนี้เป็นตัวที่รุนแรงกว่าความปวดทางร่างกายที่ทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะความปวดของทางร่างกายแต่เพราะความปวดทางใจที่เกิดจากความอยากให้ความปวดทางร่างกายหายไปหรืออยากจะหนีจากความปวดนี้ไป พอหนีไม่ได้หรือความปวดไม่หายความทุกข์ทรมานใจก็จะเกิดขึ้นมาเนื่องจากมีความอยากให้มันหายถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาและเห็นโทษของความอยากให้ความเจ็บความปวดของร่างกายหายไปแล้วยอมรับว่าความเจ็บปวดของร่างกายเป็นเรื่องปกติที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้มันเป็นอนัตตาเราอยู่กับมันได้เพียงแต่เราต้องทําใจให้ ฉเฉยปล่อยวางเท่านั้นถ้าเราเฉยปล่อยวางไม่มีความอยากให้มันหายความทุกข์ทางใจก็จะไม่มีพอความทุกข์ทางใจไม่มีใจก็จะสงบเย็นสบายจะเหมือนกับว่าเหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธิเหมือนกับตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิหรือตอนที่ไม่มีความเจ็บปวดมีความเจ็บปวดแล้วไม่มีความเจ็บปวดก็จะมีความรู้สึกเท่ากันไม่เดือดร้อนอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการใช้ปัญญา ที่จะดับความเจ็บปวดทางใจได้แต่ความเจ็บปวดทางร่างกายนี้อาจจะเบาลงไปตามไปด้วยก็ได้เพราะบางทีความเจ็บปวดของทางร่างกายก็เกิดจากการขยายของใจเราไปขยายความรู้สึกขึ้นมาเองพอใจเราสงบมันก็หยุดทําหน้าที่ขยายความเจ็บปวดของร่างกายก็เลยรู้สึกว่าความเจ็บปวดของร่างกายที่เมื่อกี้รู้สึกว่ามันรุนแรงมันกลับไม่รุนแรงมันเบาลงไป อันนี้ก็เป็นได้หรือบางทีหาให้ไปเลยก็เป็นได้เหมือนกันแตไม่สําคัญเรื่องของความเจ็บปวดของร่างกายนี่เราไม่ต้องมันเราไม่ให้ความสําคัญกับมันมันจะอยู่ไม่อยู่มันจะเบาไม่เบาไม่เป็นไรขอให้ความเจ็บปวดทางใจมันหายไปนะแล้วมันจะหายก็ต่ อ, มตอเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเกิดจากความอยากของเราเองความอยากให้ความเจ็บปวดของร่างกายหายไปแล้วเราเห็นโทษของความอยากนี่แล้วเราหยุดมัน ยอมรับความเจ็บปวดของทางร่างกายใจของเราก็จะสงบแล้วก็จะไม่ทุกข์กับความปวดของทางร่างกายข้อ2ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาว่ากายเหล่านี้เป็นเพียงรูปขันทั้งหประกอบเป็นตัวรูปเราขึ้นมาเราจะพิจารณาต่อไปอย่างไรครับก็พิจารณาเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่ง ตุ๊กตาเวลาเราเอาอะไรเอาเข็มไปทิ่มไปแทงขามันแขนมันมันก็ไม่ร้องมันไม่รู้สึกอะไรกระดูกของเรามันก็เหมือนกับแขนขาของตุ๊กตานาะตอนนี้มันรู้สึกเจ็บปวดแต่ตัวมันตัวกระดูกเองมันไม่รู้ว่ามันเจ็บมันปวดหรอกผู้ที่รู้คือใจแล้วใจก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไปกับความเจ็บปวดของกระดูกนั้นเพราะฉะนั้นมันจะเจ็บขนาดไหนใจให้มีหน้าที่เพียงแต่รับรู้เท่านั้นก็พอ แล้วก็ร่างกายมันจะเจ็บจงกระทั่งมันแตกไปก็ปล่อยมันแตกไปร่างกายมันไม่รู้สึกความเจ็บความแตกของมันหรอกเวลาคนตายไปนี่เอาไปเผามันร้องหรือเปล่ามันเดินหรือเปล่ามันไม่รู้เรื่องมันก็เหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งดีๆนี่องที่มันเดินก็เพราะมีใจมารับรู้แล้วใจนี่แหละเป็นผู้ดิ้นไม่ใช่ผู้ร่างกายที่เป็นผู้ดิ้นเนั่ยถ้าใจสงบแล้วมันก็จะไม่ดิ้นมันจะปล่อยให้ร่างกายนี่ เป็นเหมือนตุ๊กตาไปตัวหนึ่งไม่ยุ่งกับมันข้อสเวลาก่อนผมนั่งผมจะมองนาฬิกาดูว่าวันนี้เราทําได้นานเพียงไรเพื่อดูผลของการปฏิบตัติแต่ก็ไม่ได้ยึดติดกับเวลาเพราะจะไปติดอยู่ที่เวทนาจนเรารู้ได้เองว่ากี่นาทีแล้วผมปฏิบัติอย่างนี้ถูกหรือไม่ครับ คือดูนาฬิการหรือดูไม่ดูนาฬิกานี่มันไม่สาคัญสาคัญว่าถ้าเรามีนัดเวลาจะต้องมีงานการที่ต้องทำเราก็จะต้องดูนาฬิกาเพื่อที่เราจะได้ไม่นั่งเกินเวลาถึงเวลาจะต้องไปทำงานจะได้ไปได้เรื่องนาฬิกามันก็มีแค่นี้เวลาภาวนาจริงๆสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีนาฬิกากนเลยทำไมท่านบรรลุ ก, กันได้หลุดพ้นกันได้ ไม่สําคัญเวลานั่งเราไม่ได้วัดด้วยด้วยนาฬิกาด้วยเวลาเรานัดด้วยความสงบด้วยผลว่านั่งแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลสงบมากหรือสงบ น, น้อยน้อยสงบนานหรือสงบไม่นานอันนี้เป็นตัววัดการปฏิบัติของเราต่างหากส่วนการที่นั่งแล้วถึงเวลาหนึ่งมันจะเกิดเวทนาขึ้นมาก็เพราะว่าสติเราหมดกําลังที่จะไปควบคุมสังขารความคิดปรุงแต่ง ความคิดนปรุงแต่งมันปรุงขึ้นมามันก็จะไปปรุงที่เวทนาทันทีแล้วพอไปปรุงแต่งเวทนามันก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความอยากขึ้นมาทันทีมันก็เลยทําให้ทนนั่งต่อไปไม่ได้ถ้าเรามีสติมีกําลังควบคุมให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธต่อไปได้มันไม่ไปปรุงแต่งเรื่องเวทนามันก็จะนั่งต่อไปได้ดงั้นถึงเวลานั้นแล้วเราต้องดันสติต่อไปบังคับให้พุทโธพุทโธต่อไป อย่าไปสนใจคิดถึงเรื่องของความเจ็บของร่างกายถ้าเราดันมันผ่านไปได้เดี๋ยวความเจ็บนั้นก็จะหายไปมันก็จะผ่านไปได้อีกขั้นหนึ่งมันเป็นขั้นๆั้นเวทนาก็มีหลายตัวด้วยกันแต่และตัวมันก็จะมาโผล่ตอนที่สติของเราอ่อนกำลังลงถ้าเราอยากจะผ่านมันเราก็ต้องเพิ่มสติขึ้นไปหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องใช้ปัญญาแยกใจออกจากร่างกายออกจากเวทนา ถ, ถึงจะผ่านมันไปได้ คำถามจากคุณนัฐพลผมนั่งภาวนาโดยดูลมเป็นหลกักพอจิตเริ่มสงบจะเกิดอาการรวมลงลมหายใจหยุดไปชั่วขณะแล้วก็มีขึ้นใหม่บางครั้งรวมแรงมากตึกตรงกลางหน้าอกแล้วก็คลายลมหายใจกลับมานี่เป็นอาการของคณิกาสมาธิหรือเปล่าครับ แล้วเราจะมีวิธีหรืออุบายอย่างไรให้จิตรวมแล้วสงบคงที่ได้อย่างต่อเนื่องครับก็ลองภาวนาวต่อไปพอจิตเริ่มกลับมารู้ที่ลมาหายใจก็ดูลมต่อไปดูไปจนกว่ามันจะรวมรวมนานหรือไม่นานก็แล้วแต่กำลังของสติแล้วถ้ามันถอนออกมาถ้าเรามีสติมีความเพียรล้วก็ดูลมต่อไปอย่าเลิกนั่งไปเรื่อยๆดูลมไปเรื่อย จนนนกาามัะสงบไได้นนต่อปคำถามจากผู้ฝากถาม <c oughs> การทำกรรมฐานกับการนั่งสมาธิ <c oughs> เหมือนและแตกต่างกันอย่างไรคะมันเป็นคำพูดที่มันต่างกันแต่การปฏิบัติก็เหมือนกันกรรมฐานนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิก็นั่งเพื่อทำใจให้สงบกรรมฐานก็คืออนาปนาสติก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งนั่งดูลองก็เรียกว่านั่งกรรมฐาน นั่งดูล้วมก็เรียกว่านั่งสมาธิมันก็เป็นคำที่ใช้แทนกันได้และถ้าเหมือนกันทำเองที่บ้านให้ผลเหมือนกันหรือไม่คะผลอยู่ที่อยู่ว่ามันมีถ้าสถานที่มันก็อยู่ที่ว่าสถานที่สงบหรือวุ่นวายถ้าสถานที่วุ่นวายมันก็สงบยากถ้าสถานที่สงบมันก็สงบง่ายแต่มันก็ไม่ได้อยู่ที่สถานที่เป็นอย่างเดียวมันก็อยู่ที่สติด้วย ถ้ามีสถานที่สงบแต่ใจไม่มีสติมันก็ไม่สงบแต่อยู่ในสถานที่วุ่นวายแต่ถ้ามีสติมากกําลังมากก็อาจจะสงบได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีทั้งสองส่วนมีสถานที่สงบและมีสติที่มีกําลังมากมันก็จะได้ผลดีคําถามจากคุณพุทธาหลวงปู่มัน่นท่านลาพุทธภูมิอย่างไรท่านทํำยังไงครับก็ท่านไปปีกไม่เวกอยู่คนเดียวนะ เมื่อก่อนนี้ท่านก็โปรดญาติโยมโปรดพระเนร์ช่วยเขาฝึกนั่งสมาธิกันแต่พอท่านถึงอายุ60นี้ท่านก็รู้ว่าท่านยังไม่เสร็จงานของท่านท่านก็เลยมาพิจารณาก็เห็นว่าท่านคงติดเรื่องพุทธภูมิเรื่องของความเมตตากรอต่อผู้อื่นเมตตาสั่งสอนผู้อื่นมาตลอดจนตัวเองลืมสั่งสอนตอนเองก็เลยในที่สุดก็เปลี่ยนใจว่าไม่เอาแล้วพุทธภูมิต้องการที่จะหลุดพ้นในชาตินี้ ท่านก็เลยไปปิกเว้เวกอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ถึง10ปีระหว่างอายุ 60- ถึงเจ็ปีตามประวัติที่หลวงตาเขียนก็เป็นช่วงที่ท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดลหลังจากนั้นท่านก็ได้รับอาราธนาให้มาโปรดสั่งสอนญาติโยมท่านก็กลับมาสั่งสอนใหม่สั่งสอนพระเนรที่มีหลว ง, งตาไปเป็นลูกศิษย์ในช่วงนั้นช่วงละช่วงเจถึงแปดสพรรษาของหลวงปู่มัน่นแล้วพออายุแปดสิบหลวงปู่มัน่นท่านก็ละสังขารไป คำถามหมดแล้วทางบ้านทางที่นี่มีใครอยากจะถามไหมเออมีแต่พวกชำนาญรู้หมดแล้วรู้แต่ไม่ปฏิบัติอาข้างหลังมีมาอยากจะถามปัญหาก า, การนมัสการหลวงพ่อครับโยม ไม่มีความเข้าใจเรื่องคาว่าสญญตาครับก็เลยมีคำถามในตัวเองตลอดเลยมกล่าวเรียนถามหลวงพ่อครับสุญญตาก็แปลว่าความว่างไงเช่นเราไปอยู่ในห้องว่างๆไม่มีข้าวมีของไม่มีอะไรก็เรียกเราเป็นความว่างอันนี้ก็เป็นความว่างภายนอกความว่างภายในใจก็ไม่มีความคิดตุงแต่งไม่มีเวทนาไม่มีอะไรสักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆหรือเวลาที่เราออกไป นอกโลกไปอยู่ในอวากาศนี้ก็ไม่มีอะไรก็ก็หมายถึงว่าสุญญาตาตัวนี้ก็ต่างกับคําว่านิพพานใช่ไหมครับอ่าก็มันก็มันคนละคำกนะันนี่ยนิพพานกับนิพพานสุญญาตากับสุญญาตาสุญญาตานี่มันมีความหมายได้หลายอย่างว่างจากอะไรว่างจากกิเลสก็เป็นสุญญาตาอย่างหนึ่งว่างจากสมมุติเช่นสัตว์บุคคลเขาเรานี่ก็เป็นความว่างอีกแบบหนึ่ง มันก็มีความว่างหลายอย่างซึ่งถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่รู้จักแยกแยะว่ามันเป็นอย่างไรครับตอนนี้ก็ให้รู้เพียงแต่เวลาที่เราว่างเวลาเราตกงานนี่มันก็ว่างเหมือนกันนะว่างจากงานว่างจากภารกิจการงานเวลาแฟนทิ้งเราไปเราก็ว่างจากการมีคู่ครองมันก็เป็นว่างเหมือนกันะอ้ครับผมครับสาธุครับ ก, มามสส ก, การมามาสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคือยอมอยากจะกราบเรียนถามองค์หลวงพ่อนะเจ้าค่ะว่าชาตินี้เราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะพระพุทธศาสนาแต่เกิดแล้วค่ะแต่บา ร, รมีธรรมยังบำเพ็ญไม่เต็มที่เจ้าค่ะที่จะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งถ้าเราเร่งปฏิบัติทําความเพียรให้มากขึ้นเราจะสามารถที่จะพ้นทุกข์ละบรรลุธรร ม, รมได้ในชาตินี้หรือเปล่าเจ้าคะ่ะก็อยู่ที่ทํามากธําน้อย ทำครบหรือไม่ครบถ้าทำครบมันก็บรรลุได้ถ้ายังทำไม่ครบมันก็ยังบรรลุไม่ได้บรารมีก็ต้องทำให้ครบทั้งสิบข้อแล้วก็ให้เต็มร้อยอย่างนี้มันก็จะบรรลุได้ไม่มีอะไรละใช่ไหมถ้าไม่มีก็พอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท e <À, À. S 1> ่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งๆขึ้นไปเถิดก่อนท่านท่านจะมุมมีมาเนี่ยจังเจังได้ได้ฟังท่านเนี่ยในในลงไปท่านพูดเรื่องจิตนิดนึง ยกจิตขึ้นด้วยการวางเทศอยู่เรื่อยๆทำให้จิตพลูขึ้นเพราะจิต ข, ของเรามันชอบลงตล่ำเนี่ยต้องอาศัยธรรมจะจของพระเจ้าคอยชูขึ้นมาถ้าเราไม่ฟังธรรมจิตเรามันจะไปทางความโลภโกรธหลงอยู่เรื่อยๆต้องอาศัยการฟังจะได้ช่วยดึงขึ้นมาทำพระเจ้าจะดึงจิตใจให้สูงขึ้นความคิดของเรามัน ถูกกวิชาครอบงำมันก็เลยจะคิดไปในทางที่เล ต, ตันหากันทุกข์ที่ทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะความคิดของเรานีงสิ่งต่างๆในโลกนี้แม้แต่ร่างกายนี้มันไม่ทำให้เราทุกข์ได้ที่มันทำให้เราทุกข์ก็เพราะความคิดของเราเองเราคิดไปในทางตันหาความอยากมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นถ้าเราคิดไปในทางตายรับมันก็จะไม่ขึ ไม่ทุกแต่เราไม่ชอบคิดไปในทางตายรับไม่ยอมรับความจริงกันไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บกันไม่ยอมตายนก็เลยทุกกันเป็นไงมีอะไรไหมเวลาใกล้เข้ามาทักงวันแล้วเนียยังใจเย็นเย็นอยู่อีกฮะไฟไม่ยังไม่ลนก้นนะ ยังไม่ร้อนพอเลย mm hmm. ไปสีวิได้แล้ ว, ลวทิ้งสามีให้อยู่คนเดียวได้ mm hmm. <laughs> ยากกันอยู่ดีกว่า mm hmm. กอดกันอยู่แล้วก็ตายจมน้ำตายด้วยกันน้องคู่ถ้ายากกันอยู่ยังมีโอกาสที่จะไปถึงฝั่งได้ <laughs> ตายก่อนก็ได้ก็แยกห้องกันอยู่ก็ได้อยู่บ้านก็ได้แยกกันอยู่แล้วอยู่คนละห้องพอก็ห้องก็เจอว่าไปวันละวห้ามาห้ามมาเข้าประตูเรียกต้องปฏิบัติบ้งว่ามันถึงจิตมันถึงจะสงบมันถึงจะไม่ทุกข์ถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่สงบมันก็จะทุกข์ไปเรื่อย